เวลามายาวๆนานๆมาฝึกฝนมาทำความเข้าใจกับตัวเรานั่นแหละไม่ใช่ไปมาทำความเข้าใจกับตัวของเราเองมาหากายวิเวกมาหาจิตวิเวกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ึกตัวที่ต่อเนื่องกันแล้วหรื อ, อย่างทำกายของเราให้สบายวางใจของเราให้สบายแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆในตัวทองสักสอสามเที่ยว ความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจเวลาลมหายใจเข้าลึกๆเราก็จะรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราพยายามฝึกตรงนี้แหละให้เกิดความเคยชินตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พอเรารู้ตัวปุ๊บเราก็พยายามสร้างความรู้สึกให้ต่อเนื่องถ้าความรู้สึกตัวของเราพลังเผอไปเราก็พยายามสร้างขึ้นมาใหม่คนเราไม่ค่อยจะสนใจในการสร้างความรู้สึกตรงนี้ สติก็เลยไม่ต่อเนื่องจะไปเอาตั้งแต่ปัญญาถึงเกิดจากจิตเกิดจากความคิดเก่าๆรือว่าอาการนองขันหา้าคิดก็รู้อยู่ทำก็รู้อยู่มันหลงอยู่ในความรู้ตรงนั้นอยู่เราขาดะการสร้างผู้รู้ขาดการเจริญผู้รู้ก็เลยไม่เข้าใจในเรื่องรูปเรื่องนามในเรื่องอัตตาในเรื่องอนัตตาในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่รอบรู้ในกองสังขานรนกตโรเอง เราต้องมาเจริญสติมาสำรวจเราแม้ตั้งแต่ความอยากที่เกิดจากตัวจิตลรวก็รู้จักดับใช้สมถะเขาไปดับอยู่กับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี้มีมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดออกจากท้องพ่อท้องแม่นั้นแหละเราก็หายใจแล้วปากันปล่อยลมหายใจทิ้งไม่เคยสังเกตไม่เคยวิเคราะห์อาการหายใจเข้าออกเป็นยอย่างไรหายใจเบาหายใจหนักหายใจธรรมชาติเป็นยอย่างไร ่อไปข้างหน้าก็รู้จิตรู้ลักษณะของจิตรู้จกกักคบคุมจิตลึกลงไประดับตั้งแต่เริ่มเกิดเริ่มก่อตัวแต่ภาระหน้าที่ส่วนอื่นทุกคนมีอานิสง์กันเต็มเปี่ยมจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาก่อนไม่ใช่ว่าไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติโดยป ร, ริยายตั้งแต่เกิดมาสภาพร่างกายก็เปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เด็กน้อยไปหาเด็กโตผ่านการผ่านเวลาได้รับการศึกษาได้รับการโรเรียนรู้จักรับผิดชอบผิดูกดัวดีรู้จักบุญรู้จักบาปมีความอดทนอดกลั้นมีความปั่นอญูกัตะเวทีอันนี้เป็นพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปเป็นการประพฤติปฏิบัติโดยปริยา ย, นยในระดับของสมมติบางคนบางท่านกอสร้างสมมติมาเพียบพร้อมไม่ได้นบาบา บางคนบางท่านก็ยังลำบากอยู่ในทางสมมุติตก็ต้องแก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาทําหน้าที่ของเราให้ดีส่วนทางด้านหลั ก, กจิตเราก็ต้องเจริญสติหรือว่ามาสร้างผู้รู้ก็ไปดูก็ไปวิเคราะห์เข้าไปสังเกตคนส่วนมากเขาไม่ค่อยจะได้เจริญสติเท่าไหร่มีเต้งแต่ไป น, นึกเอาไปคิดเอาว่าจะเป็นอย่างนั่นเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่เข้าใจในชีวิตของตัวเราถ้าคนเรามันสนใจมันวิเคราะห์มันพิจารณา อยู่ที่ไหนเราก็จะแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลาแก้ไขปัญหาทั้งภายในเราก็แก้ไขปัญหาทั้งภายนอกเราก็จะอยู่ดีมีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขถ้าเรารู้จักนาที่ถ้าเรารู้จักรับผิดชอบพยายามไปแก้ไขตัวเรานะการประพฤติการปฏิบัติทําไม่ได้ ค, คําเคร่งอะไรรอกเราเพียงแค่เจริญสติเข้าไปสํารวจเรารู้ความเป็นจริงแล้วเราก็รู้จักละกิเลสรู้จักคลายความหลง เข้าใจธรรมชาติภายนอกธรรมชาติภายในมันเที่ยวเข็นตนเองมันแก้ไขตัวเองใหม่ๆก็อาจจะฝืนก็อาจจะทวนกระแสปั้พรจิตของคนเราชอบเป็นธาตุของกิเลสชอบเป็นทาตุของอารมณ์ชอบคิดชอบเที่ยวชอบปรุงชอบแต่งชอบส่งออกไปภายนอกทีนี้เราไม่ให้จิตของเราส่งออกไปภายนอกเรามาดับมาฝึกมาฝืนใหม่ๆก็เลยเกิด ความอึดอัดอึดอัดจนถึงที่สิ้นสุดนั่นแหละเขาถึงจะคลายกิเลสมานต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆแต่พูดถึงเรื่องกิเลสแล้ว <Yeah. S 1> ก็ไม่ค่อยจะชอบกันเท่าไหร่หรอกแต่รู้หรืว่าจะเป็นธาตุของกิเลสรู้ตั้งแต่ชื่อของเขาแต่หน้าตาของเขาไม่ค่อยจะเห็นสักทีความโลภเกิดขึ้นแล้วก็รู้แล้วเมื่อเขาเกิดความโกรธเกิดขึ้นก็รู้แล้วเมื่อเขาเกิดนั่นแหละเขาเริ่มเกิดอย่างไรเริ่มขอตัวอย่างไรเรารู้ไม่เท่าทันแล้วเราจะเอาอะไรไปแก้ตรงนี้แหละ ความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไปยามดับขอบโกรธเสียแล้วก็เจริญพุ่มปิหารมองโลกในทางที่ดีคิดดีให้อาไปยทานอโหชิกรรมจิตของเรามีความตันหนีเหนีวแน่นเราก็ไปยามละความตันหนีเหนีวแน่นด้วยการบริจาดด้วยการให้มองโลกในทางที่ดีคิดดีให้กําลังกายกําลังใจกําลังสติกําลังปัญญาเราก็จะได้เป็นการให้เป็นผู้ให้เป็นผู้เอา อ, อ้อ จะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของสติเรื่องของปัญญาเชียการได้ยินได้ฟังได้อา่านทุกคนมีกันเต็มปิบแต่การลงมือปฏิบัติการลงมือศึกษาจริงๆว่าเขาเกิดอย่างไรเขาไปอย่างไรเขาหลงอะไรการละกิเลสต่างๆพวกเราไม่ค่อยจะได้ทำกันมีตั้งแต่จะแสวงหากิเลสเข้ามาทับถมดวงจิตของตัวเราเองเราต้องพยายามมาเจริญสติเข้าไปคลายคลายความหลงคลายโมหะคลายความหลงทีกด ล้วก็แยกรูปแยกนามให้มันได้หรือว่าเดินปัญญาเข้าสู่วิปัสนามองดูรู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้เอาไวท้ทีหลังเพียงแค่การมาสร้างความรู้ตัวมาสร้างสติพวกเรายังไม่ค่อยจะทำกันจะไปเอาตั้งแต่ปัญญาขั้นสูงๆได้อย่างไรจะไปเอาตั้งแต่ปัญญาตัวความสงบความสะอาดความบริสุทธิ์แต่ขั้นพื้นฐานการดูการรู้ต้นเหตุหาสาเหตุยังไม่เจอเลยสติก็ยังไม่ได้สัง่ง ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่มีปัญญาทุกคนมีปัญญากันเป็นอริยะในทางสมมุติแต่ในหลักธรรมแล้วเราต้องพยายามมาโนมมาสำรวจตรวตราดูแท้งแต่ฐานของการเกิดกันดับฟงจิตมาเริ่มละกิเลสออกจากใจของเราเพราะว่าสภาพสภาวะเดิมจิตของทุกคนนั้นสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสหลกกิเลส น, นี้มีมาภายหลังเท่านั้นเองเราถึงมาหลงมาเป็นทานของกิเลสก็ต้องพยายามกันนะ การได้ยินได้ฟังได้อ่านการได้ศึกษาการคนา้นคว้ามีกันอยู่ตลอดเวลาการเริ่มต้นในการสังเกตในการวิเคราะห์ขอให้เริ่มต้นกันได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจเขาออกยิ่งตื่นขึ้นมาดืนเดินด น, นั่งนอนก็จะเป็นแค่เพียงเรียบบทกายของเราทำหน้าที่อย่างไรตวานทั้งหกหูตาจมูกลิ้นกายเขาทาหน้าที่ เป็นทางผ่านของรูปรถจีนเสียงขวดวิญญาณของเรานั่นแหละมันเข้าไปร่วมเข้าไปยินดียินร้ายลึกๆ ล, ล, ลงไปก็อาการต้องความคิดกับจิตเข้าไปรวมกันได้อย่างไรตรงจุดนี้แหละสำคัญมากทีเดียวนอกจากคนที่มีความข ย, ยันหมันเปลียนเท่านั้นถึงจะรู้ความเป็นจริงหลวงพ่อก็ได้เพียงแค่เล่าให้ฟังทุกคนก็มีบุญอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองมีบุญมีวาชนามาก่อนถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาสร้างมาสานโตให้ถึงจุดหมายปลายทาง อย่าไปเลือกการเลือกเวลาไปผัดวันประกันพุ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่ประมาทจงเป็นบุคคลที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วให้ไวถ้าเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็สบายรู้การไปการมาเราจะดําเนินชีวิตของเราอย่างไรเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดเราจะบริหารชีวิตของเราอย่างไรขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ให้อยู่กับส ม, มุดอย่างมีความสงบความสุขไม่ให้ส ม, มุดเขา่ากรอบงงา ก็ต้องปีกเข้าพิจารณากันไปแก้ไขกันไปอันนี้แต่ละบุคคลก็มาด้วยวิบากกรรมมาตามกรรมทาความเข้าใจกับกรรมเสียเราก็ละกรรมเราก็จะอยู่เนือกรระตั้งสติระลึกรู้การหายใจเข้าออกให้ต่อเนื่องกันสักพักสัระยะนะวางความคิดวางอารมณ์ดับความคิดดับความกังวลต่างๆที่เกิดจากจิตเอาไว้ให้หมดถึงเราจะวางไม่ได้เด็ดขาดก็วางก็หยุดขณะที่เรากำลังนั่งอยู่นี่เลย นังอยู่หลายคนก็มืนก็อยู่คนเดียวขณะนี้อยู่คนเดียวก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิง่งเข้าวิง่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ต่อเนื่องกันทําทุกสิ่งทุกอย่างทําจิตให้โ ล, ล่งสมองให้โปร่งกายให้สบายสร้างความรู้ึรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราให้ต่อเนื่องกันแต่ฟักระยะนะ